الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا ا ل ح م ล لله ต้องชุโอร์ต الله س ب ح ا า ه ت ล ا ل านะครับที่ได้กลับมาพร้อมๆกับการเรียนการสอนของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ที่ที่แล้วนี่ใครมาจะมาพูดคุยอะไรกับเราบ้างมาชอัลลอฮ์นะครับที่สดีต้นไม้อาล การรีมาชมตุยะคำเรียนแล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้เช่นเดียวกันเพราะว่าพอะสุภามตะลาได้ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นในเดียวกุานของพระองค์ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันเกี่ยวกับประเด็นของสุรศุนนาซีอาตน้องครับสุรศุนนาซีอาตเราเรียนไปแล้วสองครั้งผมขอเกริน อีกนิดหนึ่งเพื่อเพื่ อ, อนำเข้าสู่การเรียนนะครับว่าเพราะว่าเราหยุดไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยบีทีพี่น้องอาจจ ะ, ะไม่ปฏิบัติต่อนะครับบางท่านก็อาจจะมาครั้งแรกเออมาครั้งที่สองอย่างเดียวส ورة นาจีอาอันนาซีอาหมายถึงบรรดามาลอิกัสที่ Allah อาลาัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع มอบหมายพรรากิจมอบหมายพรรากิจในการดึง วิญญาณของมนุษย์นะครับซึ่งมีทั้งวิญญาณของผู้ศรัทธาวิญญาณของผู้ศรัทธาเนี่ยเมลยัยกัจะเดินดึงออกมาอย่างแผ่วเบาในขณะที่วิญญาณของคนกาเฟนของผู้ที่ไม่ศรัทธาผู้ที่ทรยศอัลลอฮฺพระเจ้าเาก็จะให้เมลัยกัดดึงออกมาด้วยวันนาชิตาะซีนปะนะครับดึงออกมาด้วยความรุนแรงน ะ, น ะ, นะอัละอฮฺบิน๊นุสลามินซาริหเมื่อคืน ออพอดีเราไปที่นักศึกษามอฺเขาจัดบรรยายเรื่องชีวิตหลังความตายพอดีผมก็ไปพูดด้วยนะครับก็มันมี h a d ษ t จากอัลบบรออนชาอัลลอะถ้ามีเวลาเราจะอ่าน h a d ษ t ์ของบรออี h a d i ยาวมาก h ดิ i t h ที่กล่าวถึงความตายชีวิตของคนพอตายแล้วเนี่ยมละลาอีกทัสที่จะมารับวิญญาณเนี่ยมารับในสภาพยอย่างไร คนที่จัดชาวิญญาณจะออกจากร่างในสภาพอย่างไรคนที่ไม่จัดชาวิญญาณจะออกจากร่างในสภาพอย่างไรนะครับฮะิษได้กล่าวถึงเ อ, อมีเนื้อหาที่ยาวมากนะครับบางทีาจจะต้องต้องใช้เวลาทั้งชั่วโมงเพื่อที่จะอธิบายอะดิษนี้อย่างเดียวสรุปแล้วเ อ, อจากการที่ได้พูดคุยกับหลายๆคนเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับความตายเนี่ยสุนท า, าะนะครับเป็นเรื่องที่มนุษย์ส่วนใหญ่ อาจจะทุกคนด้วยซ้ำไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเราทุกคนไม่มีใครที่สเสน่หากับความตายเลยสักคนเลยพขบอกว่าเอาไหมถ้าจะให้ตายคงไม่มีใครที่บอกว่าเอาขอตายก่อนพี่คงไม่มีนะฮะยกเว้นคนที่อับจนในชีวิตสุดๆแหละอันนี้อาจจะมีคนที่ฆ่าตัวตายคนที่หาทางออกให้กับชีวิตไม่เจอคนที่ไม่มี อ, อัลลอฮ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพวกที่เล่นบุน พวกที่เคยรวยมาก่อนแล้วอยู่ดีๆก็ต้องเขาเรียกว่ายากจนแบบกระทันหันตั้งตัวไม่ติดอ่นะพวกนี้อาจจะมีบ้านที่ว่าอยากจะตายเพื่อหนีปัญหาไม่ใช่อยากตายเพราะรักความตายไม่ใช่ไม่ใช่อยากตายเพราะรู้สึกว่าตายดีกว่ามีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพราะอยากจะหนีปัญหาไม่มีใครที่อยากจะตายโดยเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งในโลกนี้พี่น้องทราบนะครับว่า ในโลกนี้มีคนกลุ่มหนึงที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัครฟันน่าอัลกุรอานใช้คำว่าอัครฟันน่าที่อะไรใครอะเกลียดความตายมากและพยายามหาค้นหาวิธีการต่างๆที่จะให้ตัวเองนั้นมีชีวิตอายุยืนยาวที่สุดถ้าทาไม่ต้องตายเนี่ยถ้าทําได้เนี่ยก็อยากจะทําพวกนี้คือพวกไหนครับจากเนี่ยคฮะ พวกอะไรอะไรนะพวกีากรุลละพวกฆาตการนะครับก็คือพวกยิวพวกยิวนี่ละแต่ลพก่า่และจะแะ้นอะอะอะอะอะอะะอะอะอะอะะอะอะอะออะออะอะอะอะอะอิอะอะอะอะอะอะอะอะอะะอออะอะออะอะอะอะอะวะออะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะออะอะอะอะออะอะอะอะอออ เราซึ่งเป็นมุสลิมปกติทั่วไปเนี่ยยากเหลือเกินที่จะหาคนที่แบบว่านะครับเสน่หากับความตายเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยไม่อยากที่จะตายเพราะว่าไม่อยากที่จะพูดถึงความตายด้วยซ้ำเพราะการพูดถึงความตายทำให้ความสุขในการใช้ชีวิตลดลงในฮะดิษของท่านนาบีท่านนาบีเรียกความตายว่าแทวิลลาเซตัวท๊อตัวทําลายความสุข พอพูดถึงความตายทุ๊บหมดแล้วกินข้าวต้อไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับฮะอะไรอะไรมันก็ไม่ดีหมดทุกอย่างเนะพราะว่ามันจะตายแล้ ว, ลวทระพก็บอกอีกว่าอาศัยริกราพามิละดั่งจงระลึกถึงความตายให้เยอะจงพูดถึงความตายให้เยอะจงพูดถึงสิ่งที่ทําลายความสุขให้เยอะนั่นก็คือความตายนั่นเองแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยพูดเรื่องนี้นะ เพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้การพูดคุยของเราเนี่ยได้มีการพูดถึงชีวิตหลังความตายด้วยเพราะมันเป็นข้อที่จริงที่เราจะต้องเจอเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวที่จะเจอกับมันดังนั้นวันนี้ซุ่นอุนนาซีอาหมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความตายพูดถึงการที่มาลายจัดนั้นดึงวิ ญ, ญญาณของมนุษย์ออกมาความตายเราถือว่าเป็นประตูสู่อาครัสซุระอันนาซีอาหพูดถึงอาครัส พูดถึงวันเทียมะพูดถึงสภาพของคนที่ปฏิเสธวันเทียมะแต่ใช้เาเรียกว่าอะไรนะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงประตูสู่วันอาครัสนั่นก็คือความตายก่อนด้วยการสาบานกับบรรดามาลาอิกัสที่ทำหน้าที่ในการดึงวิญญาแล้วเอาวิญญาเนี่ยขึ้นไปหาอัลลอฮ์ลงมารับวิญญาแล้วขึ้นไปอีกรึ่งลงขึ้นลงอยู่อย่างนี้ตลอดไปแล้ว อาวตะลาสงสาบากับมาในกลุ่มนี้เพื่อที่จะเริ่มต้นอธิบายสภาพงวนเตียมัตว่าเยามันจะยูรอจิคบทับงครอดิครัเพราะอะไรครับเพราะว่ามาอคัสการเกิดอะไรนั้นอัดุอหละการเป่าแตรครั้งแรกการอยูรอิฟะก็คือการเป่าแตรครั้งที่หนึ่งพวกที่ทำหน้าที่ในการเป่าแตรก็คือมาใั นะครับผูนะ้ที่ทําหน้าที่ในการเป่าแตรก็คือมลาอิกัส น, นี่คือความสัมพันธ์ในเชิงความหมายทำไมที่สถาบาลกับมาลาอิกัสแล้วพูดถึงวันอัคราชที่เริ่มด้วยการเป่าแตรเป่าแตรเนี่ยหน้าที่ของการเป่าแตรก็คือมลาอิกัสที่ชื่อว่าอิสราอีเป่าแตรครั้งที่เแล้วเนี่ยมละทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ตายหมดเลยแตอีเดบิชาฮิรัตหมายความว่าตายกันตรงนั้นเลย ตายกันเป็นเบื่อนะตายเป็นเบือ่อเขาเรียกตายตายเห็นจักจักเล ย, <ตา>ยนี่คือใส่ๆๆเรื่องของบิดนะครับด้วยการเป่าครั้งแรกท็กบอลทำรอริสัแล้วครั้งที่สองก็ตามมาครั้งที่สองตามมานี่ก็คือมนุษย์ฟื้นขึ้นมาหมดเลยนะครับแต่ว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาวันนั้นนะปุลูบุญยอมาอิจิวะจิฟะหัวใจตอกตัวนะครับ เป็นภาพเนี่ยก็เรียกว่าอะจะพึงกลัวนะครับอัปปอรุฮาคอเชียกสายตาร้าวันตกต่ําห้อยนะต่ําลงมันไม่กล้าที่จะดูสภาพที่น่ากลัวหรอกนะโยคูรูนะนอินเดลามาดูดูนะฟิลฮาเซอร์เอาลแต่ลราพูดถึงข้อเท็จจริงของวันเทียมันเสร็จแล้วแต่บรรดาพวกกาเ ฟ, ฟก็ไม่อยอมที่จะเชื่อแล้วยังพูดเย อ, อย่างด้วยนะครับว่าเออจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไง นะถ้าฟื้นขึ้นมาจริง ๆ, ๆมันแสดงว่าเราเนี่ขาดคุณมากเพราะเราไม่ได้เชื่อมำมั่นเพราะเร า, ารเล้อหอยเราสลับเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อแต่เป็นการพูดดูถูกเย้ยหยันท่านนาบีสำหรับเราสลับเห็นไหมครับพี่น้องจริงๆแล้วหนังดูหมินอิสลามที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วพี่น้องกําลังมีข่าวว่าจะมีการประท้วงในวันสองวันนี้เนี่ยผมว่าการดูถูกท่านนาบีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในในใ น, ในโลกปีสองพันสิบสอง มันมีทุกปีทุกยุคสมัยวันแรกที่ท่านนบีขึ้นไปประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งมาให้เป็นนบีตรงนั้นเลยครับที่ถูกดูหมิ่นดูถูกเยอะเย้ยล้อเนี่ยนใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือการล้อเยอะล้อเลียนเยอะเย้ยท่านนบีสัลลัลลอฮุสซาลลัมล้อเลียนอัลกุรอานด้วยซ้ำนะครับเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าศึกษาตรงไหนเป็นสิ่งที่น่าศึกษาว่า เวลาที่ท่านนาบีถูกล้อเลียนท่านนาบีแค่ปัญหาอย่างไรเวลาที่ท่านนาบีถูกยกเยอยต่อหน้าท่านเนี่ยท่านนาบีใช้อะไรในการพูดคุยหรือใช้อะไรในการปะทะเผชิญหน้าสมัยที่ท่านนาบีอยู่ที่มักกะสมัยที่ท่านนาบีอยู่ที่มาดีนะนั่นศึกษาครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่หมดแค่นี้วันนี้พรุ่งนี้เราออกไปประท้วงตีหน้ามันก็มีอีกอีกสองตีมันก็มีอีกอีามีมันจะมีอย่างนี้ตลอดเลยล่ะ นะครับเพราะฉะนั na, anything, ้นผมว่าน่าจะศึกษานะครับน่าเป็นหน่าทําเหมือนน่าถ้าคนที่นักเขียนนักแปลเนี่ยน่าจะน่าจะรวบรวมหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการย่อเย้ยล้อเลียนอิสลามย่อเย้ยล้อเลียนอัลกุรอานแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัมรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วศึกษาดูบริบทที่ว่าการแก้ปัญหาตาที่อัลกุรอานนําเสนอเป็นยังไงตามที่สุดนะท่านนบีซองสุลลัมนำเสนอเป็นยังไง ให้มันออกมาเป็นเล่นแล้วเราจะใช้ายเป็นคู่มือแนวพาไปตลอดตลอดการเลยไม่ต้องมานั่งคิดกันเวลาที่มีครั้งหนึ่งก็คิดครั้งนึ่งเวลาที่มีครั้งนึ่งก็ครั้งหนึ่งเพราะมันต้องมีช่องถักนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ Dartmouth. เป็นเรื่องปกติเราจําเป็นที่ต้องปกป้องแต่วิธีการที่เราจะใช้ในการปกป้องนั้นเป็นยังไงเราจําเป็นจะต้องแสดงออกแต่ถามว่าอะไรคือวิธีแสดงออกที่ดีที่สุด ขม้นธรรมะทุมะมาี่สําคัญมากนะครับَ م َْู د ُ و ْ د ُนะครับพอมีการล้อเลียนอย่างนี้หลักฐานาก็ปฏิเสธตรงนั้นันทีเลยด้วยการประกาศอย่างชัดเจนว่าวันอาคราจะเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นซักรสตวเด ครังเดียวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็นะครับสูงสลายหมดเลยแต่อีกห้องบิสก็จะเห็นบันดาบพระสิ่งต่างตาเนี่ยตายันเป็นเบื่อหนวุลวันนี้เราจะเรียนเราจะยกกรณีตัวอย่างของผู้ที่ปฏิเสธวันเกียรมั้ ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดถึงตัวอย่างพูดถึงสภาพจริงพูดถึงภาพทั่วไปของผู้ที่ปฏิเสธศาสนาวันนี้อัลลอฮ์ซุลฮานาอัละุสัยลาจะเอาตัวอย่างหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ปฏิเสธวันอัคยรัตและสภาพของเขาเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะมาเรียนเรามาอ่านกันก่อนนะครับมาอ่านกามพร้อมๆกันเลย أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنذيعات غرقة. والناشطات نشطات، والسبحات سبحة، فسبقات س ب ق ا ا ل م د ب ر ا ت أ م ر ا يوم ت ر ج ف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يوم ئ ن أبصرها خاشعة, خاشعة. يقولون إن لم ردون في ا ل ح ا ِ ر أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِيرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذَا ك َ م ر َّ ة ٌ خَاسِرَةٌ ما هي زجرة واحدة؟ و إ ن م ا هي زجرة واحدة. فإذاهم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى؟ ا دَاهُ ر َ ب ّ ه ُ ب ا ل و ا د ِ ا ل م ق د س ط و ى ا ا ذ ا د ا ر ب ه ُ ا ل و ا د ل م ُ ق َ د ِ س ِ ط ُ و َ ا ا إ ذ ه َ ب ا إ ل َ ى ف ِ ر ع َ و ن َ إ ن ه ُ ط َ غ ى ذ ه ب قل هل لك إلى أتذكى؟ َ وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه ََ الآية الكبرى، فكذب َ وعفا، َ ثم َّ أدبر َ يسعد. انشرف نادا، فقال أنا ربكم الأعلى،, أنا ربكم الأعلى, أنا ربكم الأعلى فأخذه الله كلا الآخرة والأولى. في ذلك لعذرة لمن يخشى. الحمد لله. نكمل الآن ن ك ب จบเรื่อง في الآية 26. ن ั ا ที่เกี่ยวข้องกับยกตัวอย่างนี้นะครับที่เราเรียน سبحانه وتعالى ตรัสใน .آية 25. ว่า ท่านอาจาราดีสุโมเสะเริ่มแล้วนะครับเรื่องราวที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องที่ท่านนาบีมูซาได้รับคําสั่งให้ไปหาฟิรา่านะครับทูบอัลลอฮฺถามว่าเรื่องราวของมูซาได้มายังเจ้าโอ้โมฮัมมัดแล้วไม่ใช่หรือยกตัวอย่างนบีมูซากับคู่ปรับก็คือฟิรา่านะครับ มีบางคนบอกว่าที่ไหนมีมูสาที่นั่นต้องมีสุรเ อ, อาที่ไหนมีมุฮัมมัดที่นั่นต้องมีอบูละฮับหรือไม่ก็อบูชะฮ์ตลอดหน้าประวัติศาสตร์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับที่ไหนมีความถูกต้องที่นั่นจะมีคู่ปรับก็คือความมดเท็ดอัลบาตินนะครับที่ไหนมีอัลฮับที่นั่นจะมีอัลบาตินคอยเป็นศัตรูคอยเป็นปฏิบัติขีดความอยู่ตลอดเลยแหละ حديث มูซาไมยถึงเรื่องราวของนบีมูซา إذ ناداه ربه بالواد المقدسة تواء เมื่อครั้งที่อัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ تعالى พระผู้เป็นเจ้าของเขาได้เรียกมูซาณหุเขาตัวหุบเขาชื่อว่าตัหุบเขาที่บริสุทธิ์หุบเขาตัวเนี่ยมีการตัดสิรว่าอย่างไรบ้างเราจะดู หลังจากนี้นะครับดูความหมายโดยรวมไปก่อน mm hmm. mm hmm. ท่านบดมูซาเนี่ยได้รับคำสั่งจากมาสุพ า, า, านะาล่าหน้าภูเขาแห่งนี้ที่ภูเขาภูดที่นั่นะครับ mm hmm. เรื่องราวนี้ก็มีหลายหลายตอนหลายช็อตบางทีเราเราเราไม่ทันที่จะได้อธิบายเยอะนะครับณจุดนี้รับคำสั่งให้ไปหาฟิร์าวนอิซฮ <have> ับ mm hmm. อีลาฟิร์กน อินนหูพ่อพหลังจากบอกเสร็จแล้วว่าเนี่ยฉันให้หลักฐานอะไรต่างๆให้ม้อดีาอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็บอกไปไปนะไปหาเพื่อเอวตอนนั้นเนี่ยเพื่อเอวนี่เป็นใครครับท่านนับดมูัม เ, เคยใช้ชีวิตอยู่ในวังของเพื่อเอวมาก่อนเคยใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าเ อ, อ แม่นมหรือว่าอะไรนะั้นภรรยาของซุร อ, อัลเนี่ยเป็นผู้ที่รับมูซาเอาไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยมีคดีก็เลยหนีออกจากวังของซุนอลซุนอลตามล่าหนีคดีไปอยู่กับนบีชูอายไปแต่งงานกับลูกสาวของนบีชูอายเสร็จแล้วรับทให้กลับไปหาให้กลับไปเมืองไปอียิปต์อีกครั้งหนึ่งกลางทางเนี่ยก็เจอกับเหตุการณ์นี้ ف َ ت َ ق َ ع ل ى ر ي ح ن ب ي م و س ى ا ه ر ٌ م ْ ت َ ه ف ي ب ر ع و ن ل ن س و ر َ ا ل ط ه ا ه ل ن س و ر َ ا ط َ ا ن َ ت ن ل َ ئ ِ و ن ِ فَيَقْبَلُ ذ ه ب ا ل ى ف ر ع و ن ا إ ن ه ط غ ر َ ف ا ذ ه ب ا إ ل ى ف ر ع و ن ا إ ن ه ط َ ر ق ت ق و ل ل ه ق و ل ا ل م ج ن ة ل ن س و ر َ ا ط ه ّ ا ه ِ أَنَّهُ تَنَ ن ب ي ٌ ر و ُ พอท่ า, ทา น, นบบมูซารับคาสั่งจากอลัลลอฮ์ว่าให้ไปหาเพื่เอานี่ยทบบ่มูซา ว, ว่าฉันเนี่ยพูดไม่เก่งแล้วฉันเองก็เคยอยู่ในวังมาก่อนเอดี๋ยวพวกนี้มันจะรุมทําร้ายฉันอะไรขอผู้ช่วยสักคนหนึ่งท่านอะไรก็เลยให้ผู้ช่วยมาเป็นเป็นฮารูนซึ่งเป็นซี่น้องกับนบามูซาเองด้วยแล้วบอกว่าให้ไปหาเพื่อนเอาแลา้ลยยวก็ให้ไปประกาศสัจธรรมต่อหน้าเพื่อเอา ด้วยคําพูดที่นุ่มนวลสมควรของพระเอาผู้อาวุธพวกผดดันไอ้ไอ้ไอหาอํานาจในสมัยนั้นฮเป็นพวกเป็นคนที่ว่าใครๆครก็กลัวต้องเวลาเดอผู้อาวุธก็คือต้องกงมหน้ากันทุกคนนักกลัวที่จะเพราะว่าอ้างตนว่าเป็นในในในสงครามนี้อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าไปเจอกับคนที่อหังการระดับผู้อาวุธเนี่ยอะไรสักอะไรสักอย่างไ ให้ไปประกาศสัปดาห์ต่อนน้นาขึ้นเอาไหมครับไม่มีฮรับปากพูดแล้วกเอานแล้วยิ่งน่ะให้ไปประกาศความจริงแต่ใช้วิธีการที่นุ่มนวลและอิละฮ์อิลอล allah นะครับสุภาน الله. อัลลอฮ์นี่แหละที่บอกว่าความนุ่มนวล น, นั้นบางทีมันคมยิ่งกว่าดาด่าว่าคมแล้วแต่คําพูดของคนบางทีอาจจะคมยิ่งกว่าดาดิพี่เขาบอกว่าอะไรนะ ใบมีโกนคำพูดอะไรนะอะไรนะใบมีโกนอาบน้ําพึ่งสุภาพนั่นหรอเป็นไปได้ครับคําพูดของคนอยู่บางทีนี่นะลิ้มคนอยู่บางทีฆ่าคนได้ฆ่าคนได้เชื่อมคมยิ่งกว่าดาบแล้วก็นะฮอาวุธ ใ, ใดๆทั้งสิ้นอีกนะครับแต่ว่าต้องใช้ต้องใช้ให้เต็มรับคําสั่งจากวอซุบฮานตะลาให้ไปหาฟิร์อิ้นฮอาฟิร์งอุนอินนะตั เพราะขึเอานั้นเป็นพวกที่ละเมิดฝ่าฝืนฟักุลฮัลเลกอีลาอันทเซจกะแล้วเนี่ก็ให้ถามฟิ้นเอาให้ไปถามฟิรเอานะให้ไปด่าวันนั่นเองให้ไปเชิญชวนขึเอาด้วยการตั้งคำถามว่าฮลเอลอันกเป็นมุสลิมไหม ให้เป yeah. ็นถามงงง่ายนี่เลยนะจะขัดจะซักฟอกจิตใจไหมแต่ซักการก็คือการซักฟอกจิตใจให้สะอาดจากชิริกสากิี่บักซีส์อย well, ่างสัลซิส์ของชชวคานน่นะครับท่านบอกว่าฟ้ากุลเฮลลักเอล่อันทเซคกาอ ق คราลเบียห์ที่ฟิลอาสมอัิฟ วอกว่า ل ل ل ل ิละันทจะกะอาเหอละอันทีจกหมายความว่าอย่างไหมายความว่าคาว่าจะจกะตรงนี้ก็คือการกล่าวปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอืน่นใดนอกจากอัลลอฮ์กล่าวลาอิละฮอัลลอฮ์นันเองเพราะว่าผูา้ที่เป็น<อ>คาเฟหรือว่าผู้ที่ยังไม่จัดทาน วินาทีแรกที่เขากล่าวว่าละอิละฮ์อิลลัลลอฮ์ทุกอย่างที่เขาทำมาความผิดที่เขาทำมาบาปต่างๆที่มันสะสมทั้งหมดจะมาลายหายสิ้งไปตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำพูดที่ว่าความเห็นที่ว่าควาว่า จ, จักการหมายถึงการปฏิญาณว่าละอิล il าฮ์อิลลัลลอฮ์ใหไปถามพิเอลเอาอย่างนี้นะครับฟักุล ท่านละเเคอละอันตะจัมีความปรารถนาที่จะขจัดมณทินที่ตนได้ประกอบไว้ให้หมดไปไหมหมายถึงยอมรับว่าอัลลอฮฺองค์พระเจ้ายอมรับตัวเองเป็นมุสลิมตนอหน้าอัลลอฮฺผู้พานะจ๊ะละและให้ให้ทามที่เอาอีกนะครับว่าจะให้ฉันแนะนําท่านไปสู่พระเจ้าของท่านไหมให้รู้จักอัลลอฮ์ไหม ท่านจะได้เป็นผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์การที่เราจะยำเกรงต่อร้องเนี่ยต้องมีคนแนะนําต้องมีคนสอนต้องมีคนให้ยีดายะดให้ดายัด ต, ตรงนี้ก็คือการชี้นําการบอกกล่าวมูซารให้ไปถามอัลลอฮ์เอาไหมฉันจะบอกท่านให้ท่านรู้จักอัลลอฮ์ให้ท่านรู้จักสวรรค์ให้ท่านตัดชาในวันอาคาัคคระพอท่านรู้จักแล้วเนี่ยท่านจะได้กลัวพระองค์สุภานัลลอฮ์นะครับ มูซ่าก็ไปบอกอย่างนี้แล้วก็ไปบอกอย่างนี้จริงๆมีพูดในหลายสุราเห็นช่นในสุราตุชูอาราะในสุราตุชูอาราะนะครับนบีมูซาก็ไปบอกทิรอาลบอกว่าไปบอกทิรอาลวันนี้ต้องศักษาต่อ Allah อย่างนู่นอย่างนี้ทิรอัลก็ถามว่าอะไรอ่ะพระเจ้าของท่านนี่เป็นอะไรแบบไหนลองบอกมาสิมูซาก็บอกว่าพระเจ้าของเราก็คือรราบบุคคมาวรรค์ที่ว่ามะเบนฮุมะเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างขั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดิน หัวรเราะแลเป็นออมก็หัวเราะแล้วก็อบอกพกพวกบริวาร น, น, นี่มันดูนิดดูนิดแล้มันมันบอกว่าพระเจ้าผุมมันนี่สร้างทองฟ้าสร้างกันดินเยอะเยอะทุกยุคสมัยครับเรื่อง น, นี้นี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคือไม่ต้องอีโมซี่จนจนเกินจนกระทั่งว่าควบคุมไม่อยู่เพราะมันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงด้วยสติอันนี้ต่างหากที่สําคัญนะครับ فأرام الآية الكبرى นักกาปพูดอย่างน้วเนี่ยนะรีตัวเลขชืมีเรื่องราวที่ละเอียดถ้าเจ้าบอกว่าพระเจ้าของเจ้าเนี่ยนะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงไหนลองเอาหลักฐานมาให้ดูสินะครับอาบีมูซาก็เลยยกหลักฐานยกมดีักรเสียลักษประทานมาให้กับท่านทีอย่างนะในตัวเอสอนะครับมีพูดถึงมดีจะกรต่างๆที่ท่านบบโมซากได้รับจาก a า l a h งูจักก็ยกลำพันนะคว่ำไม้เท้าไม้เท้าก็กลายเป็นงูเยอะเอาเมืองเข้าไปในกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อออกมามือก็จวาอย่างนี้เป็นต้นก็ถูกหวัวเราะเยาะอีกอ่านี่มันเป็นพวกมายากลไม่หว่าไอ้พวกนี้ที่เป็นพวกที่อะไรนะเนั่นศิลยศาสตร์นี่นะนะโดนโดนหวัวเราะเยอะรอบที่สองนะครับ เอาเอาสิ่งที่มันเกินที่ความคิดของมนุษย์จะเข้าไปถึงแล้วมันยังสูกระยออีกอย่างสาอราบุลอ่ยเชลคุบราะสักจัจาวอฟสุราสรุปแล้วนะถ้ารายละเอีนี้ต้องไปอ่านสุราอืนมันเกี่ยวข้อกันหมดเลยสุราตชอราสุราลกมีพูดถึงเรื่องราวของนบีมูซาแล้วทีนอก็ไม่อยอมเชื่อนะสักจับาจัก็คือการปฏิเสธโอ้ก การกล่าวอ้างว่โกหกนี่คือคําว่าคดซบะบอกวาฉันเนี่ยเป็นป ร, ระธานาธิบดีของลอร์เป็นรอสูนของลอร์โกหกเจ้าโกหกคําว่าเจ้าโกหกนี่แหละคือความหมาย ค, คาว่าคดซบาะไม่ยอมเชื่อว่อักอคดซาบะอย่างเดียวไม่พอยังสาซืน ต, ต่อไปอีกนะครับยังสาซืน ต, ต่อไปอีกทุ่มม่เอ็ดบยส์ ไม่เชื่อฝ่าฝืนแล้วยังเขาเรียกว่าอะไรดําเนินการมุ่งร้ายดําเนินการเพื่อที่จะมาหักหลางดําเนินการเพื่อที่จะมาต่อสู้กับมูสสอะเลฟสัลามตุมมัดบารยายต์ส์แอะลาฟิลอันต์กันหลังตอนนี้ก็าแปลว่ากลั่นหลังให้ ประกอบกันแล้วเพื่อเอาทกปฏิเสธนบธีของอัลลอ์และได้ทรยศสาฝืนต่อทั้งผู้อธิบาลของเขาผินหลังเมินออกจากการศรัทธาและพยายามอย่างยิ่งที่จะขัดขวางมันยักษางก็คือมีเรื่องที่ว่าไปเรียกนะพอพอบอกว่าเนี่ยไอ้นี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นวก น, นักนักมายากลแง่ๆงเลยเอาอย่างนี้ไหมนัดเลยนัดประลอง มูซาก็เอ so ่อฟิลองก็เลยประกาศนะประกาศเลยว่าเนี lek, so yes, ่ยนักมายากลทั้งหลายในเมืองใครที่สามารถจะมาประลองกับมูซาได้จะตบรางวัลอย่างงามนะจะให้เข้ามาเป็นข้าราารชบริพารในวังนะใครที่สามารถเอาชนะมูซาได้นี่คือความหมายของคําว่าซุนอัจซะระยัสอานะดําเนินการเพื่อที่จะมาเล่นงานมูซาอีก แต่ไม่ใช่ปฏิเสธเฉยๆดาเนินการแล้วลงมือปฏิบัติในการที่จะทําให้อโมูซาเนี่ยเสียหายฟระศาสดาเนี่ยรวบวมรวบรวมบรรมมดานักมาเยอคนทั้งหมดมาฟนีนี่ยนะครับเรียกร้องมาให้หมดระกษารักษแล้วนรกมุลแอลลั่ออัลลอฮ์น้องครับในโลกนี้มีมนุษย์กี่คนที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้า เคยได้ยินไหมฮะตั้งแต่อดัมมาจนถึงวันนีน้มีใครที่เคยได้ยินนอกจากพินเอาที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าบ้างทราบไหมฮะวันนี้ก็มีอีกคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกาศว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแต่สั่งให้ประชาชนเนี่ยปฏิบตัติต่อตัวเองเหมือนกับว่าตัวเองนี่เป็นพระเจ้าสุญูดสั่งให้สุยูดถ้าไม่สุญุดยิงหัว ตัวอยู่ตระรูปของตัวเองสุดขนะั้วที่กําลังตรวจขึ้นที่ซีเรียทุกวันนี้อรอวัดนวะัดน้าอุลติบิลละเพนเดนเพราะฉะนั้นในหน้าควาิศาลธรเนี่ยไม่มีใครที่อ้างเป็นพระเจ้าคนแรกที่อ้างเป็นพระเจ้าก็คือเนี่ยฟิร์อาอูเพราะฉะนั้นในวันอัคราชเนี่ยฟิร์อาอูเนี่ยจะเป็นผู้นาของผู้ที่ต้องเข้านรก คนที่เข้าในรกสงวรเนี่ยจะมีผู้นําคนที่พาเข้านรกเป็นเนี่ยเราละนะพุทธอะไรเราุลละเหมนกันเพราะว่าอ้าตนก็เป็นพระเจ้านะครับเราสุเบลลอนกันนั้นพอพี่เอาอานตัวเองก็เป็นพระเจ้าแล้วสุดท้ายก็แพ้แพ้ต่อการมัดิษัมมัดนบีมูซอะ عليه ا ส س ل ا م นบีมูซอะ عليه ا พวกมยากร ก, ก็โยนเชือกโยนเชือกของตัวเองโยนเครื่องไม้เครื่องมือของตัวเอ ง, ก, อ ง, เองก็กลายเป็นงูเล็กงูใหญ่เต็มพื้นไปหมดแรกแรกมูสาก็กลัวแต่ละแต่ละให้ว่าอยู่ว่าอยากกลัวให้โยนสิ่งที่อยู่ในงูของเจ้าสองซาพอโยนไม้เท้าของมูซา ป, ปุ๊บของตัวเองปุ๊บเนี่ยกลายเป็นงูใหญ่แล้วงูเนี่ยไปกินงูเล็กนี้หมด พอเห็นว่างูใหญ่เนี่ยไปกินงูเล็กบทเนี่ยบรรดานักมายากรเนี่ยก็รู้แล้วว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่มายากรเพราะถ้าเป็นมายากรจริงๆเนี่ยงูใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกินงูเล็กของตนได้ต้องเป็นภาพลวมตาแค่นั้นเองถ้าเป็นแค่ภาพลวงตาเนี่ยมันไม่มีปฏิกริยาที่ว่สามารถจะกลืนกลืนของได้จริงแสดงว่างูของงูจระไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นงูจริง เป็นม็อบวิจารติ่งเป็นสิ่งที่อะไราให้เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นบรรดานักมายากลทั้งหมดที่มาเพื่อที่จะหักล้างมูซาสุดท้ายศรัทธาต่อโมซาทุกคนเลยที่เราเป็นยังไงครับอ่าฮะที่เรเอาไม่โมโหจัดนะโมหโหจัดเลยคุณปวัตเนี่ยพระเจ้าเป็นอะไรพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนต๊อกครูแล้ว ตอนแรกที่อยู่กับฉันอยู่ดีๆแล้วพอพอโมซามาอย่างเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนข้างไปอยู่กับมูซาหมดเลยแสดงว่ามูซาเนี่ยเป็นโต๊ะครูของตัวเองใช่ไหมเป็นโต๊ะครูเป็นหัวหน้าแต่กลับตละบฝาเป็นอย่างนั้นเอาเลยนะถ้ากวับฝั่งอย่างนี้จะฆ่าให้หมดนจะการแขนจะการอะไรจะเอ่อกางแขนไม่หมดจะตัดมือตลับข้างตัดมือข้างขวาตัดเท้าข้างซ้ายเขาเรีว่อะไรนะ เขาไปจับตรึงกับลําต้นของต้นอิมพัพแล้วจะตัดมือขวาตัดเท้าซ้ายทำไมตัดอย่างนี้นะครับนี่คือวิธีการทรมานของเสื้อเอวที่จะทํากับแต่ว่าดูฮาอัลลอฮ์คนเวลาที่มันประจับกับศัตรูทำแล้วไม่ไม่มีปัญหาเอาเลยจะทําอะไรต่อตัดข้าเลยแล้วไม่เราอิจฉาต่ออัลลอฮ์แล้วไม่มีเนื้อหา นาะยคุณจะตัดมือเราคุณจะตัดเท้าเราเอาไปเลยแต่คุณไม่สามารถที่จะตัดอีิมาที่อยู่ในหัวใจของเราพี่น้องครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุคของฟิช เ, เอาเนี่ยถ้าเราไปดูในเหตุการณ์ที่ซีเรียเนี่ยอัลอลอฮฺแท้ใช่ไหมสิทิ์เพี้ยนเลยครับโดนตบหัวโดนกระแทกโดนตีหัวให้จัวอยู่ต่อรูปของฮาราชไม่ยอมครับยอมเสียชีวิต ยอมดนฟังครั้งเป็นอัลลอฮฺอลอฮฺอัลลออัลลอฮฺะอินุลลอฮฺอิ سبحان อัลลอฮเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินแต่เรื่องราวในอัลกุรอานอิสลามเราแทบจะไม่เชื่อนะครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในยุคของพืชอาเนี่ยมันจะมีจริงในโลกแต่ทุกวันนี้เราเห็นกับตาเองตามสื่อต่างๆว่ามันมีจริงครับมนุษย์ที่มันโหดร้ายมันทําได้ถึงขนาดนี้จริงๆเนาะดูเป็นละมุนละลิ นี่คือความขว้างของอัลกุรอานเราฟังเรื่องราวของอัลกุรอานเหมือนกับเป็นนิทานเรื่องหนึ่งดูเหมือนไม่ใช่เรื่องจรงิงดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจรงิงไม่เลยครับเป็นเรื่องจรงิงหลักฐานก็คือมันเกิดขึ้นจริงในโลกยุคที่เราเรียกว่าเป็นโลกของของคนที่จเจริญแล้วปี2004 ฟ้าครูอัอฮฺอัฟาัลลอฮนคาลัลอาิรวลอลาโยการที่เพื่อเอาปฏิเสธแลวก็ทาร้ายบรรดาผู้ที่ศรัทธาอย่างโหดร้างนะครับละตลลา็เลิวบ่าวฟ้าฟาฮัจฮฺอั a ลอฮฺแล้วอัลลอฮฺฟ้ลงโทษเพื่อเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นทั้งในอนาคตและในอดีต พี่น้องครับที่เอาเสีชีวิตยังไงตายกลางทะเลมีสูวาอะไรล่ะที่บอกว่าเราจะให้ตัวของเจ้าพ้นจากการจมน้ำเพื่อที่จะเอาไปเก็บไว้ให้เป็นเยี่ยอย่างเจ้าเป็นบอกว่าสูบีเละอัลกุรอานพูดถึงเรื่องนี้ 1,400 กว่าปีท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮ์อะลัยอะสซาลลัม ไม่เคยเดินทางไปอียิตแม้แต่สักครั้งเดียวแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีร่างมัมมี่ของพิรเอางอยู่ที่อียิตเอามาพูดในอัคราการค้นพบมัมมี่เกิดนะค้นพบเ ม, ม, มื่อเรากลับดูสิค้นพบในยุค ข, ของมุฮัมมัดไหมสัลลัลลอฮฺซัไม่ครับค้นพบในยุคหลังคนในยุคหลังแล้ว นี่นะฮะเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างทุกวันนี้เนี่ยใครอยากจะไปดูเซ้รเอาไปได้เลยครับอไปเลยเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างว่า ค, คนที่อหังกาถึงขั้นหนาที่ว่าอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเนี่ยจุดจบจะเป็นอย่างไรกี่ปีกีปีปเราก็จะได้เห็นลูกหลานของเราถ้าไปอีกจะได้เห็นเซอร์เอาอเถ้าอัลกุรอานไม่ใช่ของจริงเนี่ย ร่างฟื้นเอานี่คงแหลกถลายไปนานแล้วทุกวันนี้มันยังมีอยู่ทุกวันนี้เรา อ, าอา่านอัลกุรอานอายักนี้และอายักเจ้ามาตาลาพูดถึงร่างของพื้นเอาเนี่ยเอามาพิสูจน์อายัก น, นี้ได้เลยครับไปดูที่อีบแล้วพิสูจน์นี่ไงร่างพื้นเอายังมีอยู่ยังไม่หมดพิสูจน์ได้เลยครับว่าอาลัลกุรอานน่มาจาก อ, า อ, อกัลลอฮฺจริงๆไม่ต้องเบนะื่งเลยมีหลายเรื่องที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้ณปัจจุบันนี้ อัลกรุรอานพูดมาพันกว่าปีแล้วแต่พิสูจน์ได้เลยทุกวันนี้เราพิสูจน์ได้แล้วไม่มีไม่มีไม่มีทางที่เราจะบอกว่าอัลกรุรอานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มูฮัมหมัดคิดขึ้นมาเองนะอัลกุลอันเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกอขาเรกว่าทอะไรท้อถอยไม่ต้องรู้สึกสับสนไม่ต้องรู้สึกต่ําต้อยไม่ต้องรู้สึกเวียนหัวไม่ต้องรู้สึกอะไรอ่ะ เ, เครียดเวลาที่มีคนมาว่าเอาอุปสรรเวลาที่มีคนมาว่าเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องต้องรู้จักต้องต้อเข้มแข็อย่างนี้ไม่สันคลอนเลยค่ะใครจะว่าอะไรใครจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เข้าว่าไปแล้วสุดท้ายพวกนี้เนี่ยก็จะเจอกับจุดจบที่น่ากลัวเหล่านี้ให้เราประกาศของเราไปประกาศนี่เห็นชัดเจนแล้ว่าคือจริงๆแล้วนิสัยอันถ่านเนี่ยนะนิสัยที่ว่าชอบ เพอะไรนะชอบชอบพานคนอื่นคือนิสัยของคนที่แพ้ทําอะไรไม่ได้ะจะพิสูจน์ว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นของเทพนี่ทำไม่ได้ล้วจะพิสูจน์ว่าท่านอบดมุฮัมมัดสุลต่านเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพิสูจน์พิสูจน์ว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนร้ายเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้แล้ก็เลยต้องใช้นิสัยอันทพานต้อใช้วิธีการ โ จ, จ, <Salvador> จมตีใช้วิธีการเลาะเหรียญเป็นวิธีการของคนที่ชนชนต่ําอ่ะถึงจะมีอารยะแค่ไหนก็ตามถึงจะสูงส่งแค่ไหนก็ตามถึงจะยันสูงแค่ไหนก็ตามถึงจะเป็นประเทศที่คิดว่าเป็นผู้นําโลกยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยเป็นพวกขั้งถนนไม่ได้แตกต่างไปจากพวกคขั้งถนนที่ไม่มีอารยะตามเลยนิดเดียวถ้าเาจะลดตัวเองไปเข้าใจไหมคะ เราจะทําอย่างไรในการที่จะประกาศยิ่งมีคนโจมตีอิสลามยิ่งมีคนโจมตีม د, ุฮัมมัดสุลลัลอัลสลัมเขาจะเห็นยิ่งมีคนที่อย่างน้อยที่สุดถ้าไม่รับอิสลามก็คืออยากจะเรียนรู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงไม่ต้องไปห่วงเลยครับสุดขัว้วเพราะฉะนั้นขออ้อดวอนนะครับให้เราได้ยืนอย่างบนเส้นทางของอิสลามต่อไป และขอให้เรานั้นได้แสดงตนเป็นมุสลิมที่แท้จริงอันนี้สำคัญกว่าการที่เราไปโต้ต อ, อบด้วยลักษณะที่ก็ เ, เรียกว่าวันเดียวจบโต้ต อ, อบแบบวันเดียวจบนะครับการที่เราแสดงเป็นมุสลิม 356-55 วันในแต่ละปีเป็นมุสลิม ท, ทั้งหมดเลยถ้าใช้สุ น, นัขของท่านนาบีใช้มันทุกวัน รักนบีรักทุกวันรักสุณน้านาบีก็รักทุกวันรักตลอดชีวิตให้เขาเห็นเลยเขายิ่เห็นเราเขายิ่งเกลียดเขาเขายิ่งเอยิ่งไม่ใช่เกลียดเขาเรียกว่าอะไรนะมันไสเราอ่ะมันไสไม่ใช่เพราะอะไรหรอครับสุภาพอัลลอฮ์ปกตินิสัยของผู้ที่อัลลอฮ์อัลกุรอานบอกว่าอย่างไงว่มานะกอมูมินฮอิลลอัลยุมินุบิลลาฮิลลาฮิม บรรดาผู้ที่ทำร้ายผู้สัดย์ทางทรรา่าที่คารณุณกรรมผู้สัตทานไปลงไปเลยนะไปพรมานทรรก ร, รเนี่ยได้เดียงเดียวครับอิลลัค น, นะฮ์ว่าแ ม, ม้นักคามมุ่มินฮ์อิลลัคนี่ยังอยูมเนูบิลแรกเลยที่สุดครับเพราเขากป็นผู้สัดย์างแคนัเองเราไม่เคยทำอะไรที่ใครเกิดก่อเราไม่เคยสร้างสิ่งที่มันขอให้เกิดความอประยยศบนหน้ากันเลยนี้เลย สงครามที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนหน้าแผนดินนี้ที่มันทาลายอย่างรุนแรงในหน้าประวัติศาสตร์แล้วว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่ทสโครงครามล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่บอกว่าอิสลามและมุสลิมเป็นคนเริ่มต่อคนเริ่มทำให้มันสะบุกไม่เคยมีสงครามล้างเผ่าพันธุ์ไม่เคยมีมุสลิมเป็นคนเริ่มไม่มีครับ ไม่ต้องไม่ต้องไปสิไม่ต้องไปไม่ว่อะไรนะแพ้แพ้เชิงจิตตวิทยาเราชนะอยู่ตลอดไปล้ไม่ว่าใครจะทําอะไรกับเราชนะก็ต ah ามละ ي ُรَ ن َّ ك ะ ت َ ق َ ل َุ ب ُ ا ل َّ ذ นะ ن َ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ي ้ ح ความอาหารการความโหดร้ายความที่ว่าเ อ, อ่อบรรดาผู้ที่เป็นศัตรูของเราเมี อ, อาวุธอถูกปรกรณ์อะไรเพราะมีสื่ออยู่ในมืองเพราะเนี่ยทําให้เราเกิดความรู้สึก อ่อนแอทาให้เราเกิดความรู้สึกแพ้คนพอมันแพ้ในใจหรือมันแพ้ทุกอย่างไม่อยากจะทําอะไรเหมือนคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะแพ้แพ้ภาพอ่ะแพ้คือเห็นเห็นเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะแพ้แพ้บุคลิกอ่ะเขาเรียกว่าไงอะคือบางคนอาจจะมีอย่างนั้นนะพอเจอหน้าผู้ปวยในอย่างแล้วคนนี้ไม่อยากพูดคือคือมันแพ้แบบพอเห็นก็แพ้ยังไม่ทันพูดยังไม่ทันทําอะไรก็แพ้ซะก่อนแล้วเขาเรียอะไร แพ้ตบาตบะนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุสลิมเนี่ยต้องไม่แพ้ตบาบะนม่มมุสลิมเนี่ยไม่มีแพ้ตบาบะเด็ดขาดจะแพ้ทำไมต้องให้เขาแพ้ตบาบะเรานะมันใต้เราเนี่ยคือเราไม่ต้องการให้เขาหมันใต้เราแต่ว่ามันเนี่ยตะบะของมุสลิมเนี่ยสูงส่งมากด้วยการที่เขาตัดขาดต่อรอกสุภาหมดสัตว์แล mm ้ hmm hmm. แค่เราประากาศว่ามุสลิมเท่านั้นที่จะได้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยมันก็พอแล้วนะครับที่เราจะใช้ประกาศให้กับคนที่ดูมิ่น ดูถูกย่อเย้ ย, ก ย, กยกเราเราไม่ต้องการสร้างศัตรูกับใครแต่เราก็ไม่ต้องการให้ใครมาพูดอย่างนี้กับเราแล้วทําให้เกิดความบาดหมางระหว่างเราไม่ใช่เราไม่สนับสนุนคฎีประทะทางความคิดไม้ปัะทะทางวัฒนธรรมอย่าลืมนะครับ<ม>ว่าการประทะทางวัฒนธรรมต้องการให้คนที่เป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาประทะกันเนี่ยเป็นแผนที่ถูกวางเอาไว้ กาปรปะทะต่างวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคิดค้นมาหลายศตวรรษแล้วเขาพูดออกมาเป็นทฤษฎีว่ายุคสุดท้ายจะเกิดการประทะกันระหว่างวัฒนธรรมอิสลามกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่อิสลามเราไม่สนับสนุนความคิดนี้เพราะเป็นความคิดที่สนับสนุนให้คนมาชนกันอิสลามไม่มีแบบนี้อิสลามเนี่ยมีทฤษฎีการการรู้จักซึ่งกันแล้วกันอันนี้คือแนวคิดของอิสลามนี่คือทฤษฎีของอิสลาม ya ayuhanna innal alqnaqum min zakarin wa anta ว่าจะแลกคุณชุโรบันและควบ ائل ลิตากรุววัฒนธรรมของคุณเป็นยังไงเรามีสิ่งที่จะรู้จักวัฒนธรรมของอิสลามเป็นยังไงคุณมารู้จักเราสิไม่ใช่มาโจมตีคุณอยากจะรู้ว่าอิสลามของจริงเป็นยังไงคุณต้องมาศึกษากับเราสิจะตัดขาดไม่ตัดขาไม่เป็นไรเราไม่ได้ต้องการตรงนั้นแต่นี่คุณไม่ได้รู้จักเราแต่คุณมาแกล่าหาเราแบบนี้ในี่ใครจะยอม คุณกลหาเราไม่ได้เพราะคุณยังไม่ได้รู้จักเราที่ไม่ได้นะครับเราเองก็เหมือนกันอย่าไปโจมตีคนอื่นถ้าเราไม่รู้จักเขาอย่าไม่ได้จะอารุรู้จักตึ้งกันและกันแล้วอยู่กันด้วยความสันติใครจะเป็นมุสลิมก็เชิญใครไม่อยากเป็นมุสลิมเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกได้แล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของเขาเองเราไม่จำเป็นต้องขู่บังคับให้ใครมาเป็นมุสลิมให้ใครไม่มารับอสลามนี่ นกการเลยครับไปบอกเขาเลถ้าคุณอยากจะรู้จักอิสลามเออแต่เราไม่ต้องการให้คุณมาโจมตีเรากล่าวหาใส่ร้ายเราร้ายร้าแบบนี้มันไม่ใช่อรารยะของมนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์อรารยะมันไม่ใช่วัฒนธรรมที่ดีเลยแล้วเราก็จะไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้มุสลิมเองไ ม, ม่มุสลิมต้องเป็นตัวอย่างของการไม่กล่าวโจมตีแล ะ, ะแสดงออกนี่แหละที่ผมบอกว่า การแสดงออกต่อคนที่เยอะเยะ้ยเราเราจะต้องกลับไปดูวิธีของท่านนาบีสวรรค์ของเราต้องกลับไปดูวิธีของอัลกุรอานตอนท่านนาบีอยู่มักกะที่สามปีติดสามปีที่ท่านนาบีอยู่ที่มักกะไม่มีเลยสักวันหนึ่งที่ท่านนาบีไม่ถูกโจมตีไม่ถูกเล่าอาไม่ถูกเยอะเยะ้ยแต่ท่านนาบีทำอย่างไงต้องคิดศึกษาด้ันสิบปีที่ท่านนาบีอยู่ที่นะครมัดีนะอยู่ท่ามกลางคนมูนาเิ็กเสี้ยนหนามที่อยู่ในในเนื้อตัวเองอะ ที่คอยทําลายสังคมเมื่เปลี่ยจากภายในท่านนัรนมีแค่ชีวิตศรรรรึกษาบรรดาโมนาเซติไงเพราะคยศึกษา ม, มั้นนะครับกอที่เร<อ> า, <ถ>าจะแส ด, ด ง, ดง อ, ออกมาต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้โดยที่ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ใช้ตรรกแต่ให้อารมณ์มันพาไปก่อนเอาสิบละเงินละเลยอัลลอฮฺ อ, อลัลลอฮฺละนะครับเราไม่ได้พูดว่าสิ่งที่ทหลายๆที่ในโลกนี้กําลังแส ด, ดงออกนั้นผิดทั้งหมดหรือถูกทั้งหมด เราต้องการที่จะเรียกร้องให้มุสลิมทุกคนโดยเฉพาะพวกเราก่อนได้ทบกขวดไม่ใช่ว่าเราไม่โกรธแต่ไม่ใช่ว่าการโกรธของเรานั้นจําเป็นจะต้องสแสดงออกทุกครั้งไปในลักษณะที่มันไม่ตรงกับเจตนาลมและผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวมุสลิมเองกับพวกเราเองด้วยนะครับอัลลอฮฺกาละแล้วสุลต่านองคันบีนะมุฮัมมัดอิมามะลามิอัลลอฮฺสุลตานสุลตาน